มานอนใจยังไงแล้วยิ่งมีมากซะด้วยตั้งสี่สิบกว่านั่นยัวเยียยัวเยียเลยไม่ได้เรื่องเลยเรื่องทําเกิดมักเกิดอย่างนั้นน่ะนจำมั้นะไม่ได้เกิดที่บนเสือบนหมอนอะไรนะทำเฮ้ดยถือว่าความทุกข์ทรมาน ทำไม่ได้เกิดบนเสือบนหมอนเกิดกับความทุกข์ความทรมายม่นเกิดกับความสมบูรณ์พูนผลที่โลกสมมตรริว่ามีความสมบูรณบริบูรณ์ไม่ได้เกิดอย่างนั้นนั่นมันกิเลสเกิดนะ่ทําไม่เกิดอย่างนั้นทงัทงต้องทำเป็นอีกทางหนึ่งทางกิเลสเป็นอีกทางหนึ่งคนต้องทำของกิเลสต่างกัน หนึ่งไม่ลืมสัจธรรมไม่ลืมมันอยู่ในหัวใจสัจธรรมยังทุกข์ก็มีในหัวใจทุกข์ในขันเนี่ยถึงสมมุติว่าทุกข์เพราะส ม, มุทัยก่อเหตุไม่มีทุกข์ในขันมันก็มีมนี่ก็รู้ก็เป็นสัจธรรมนะส ต, ติปัญญาไม่ใช่เพื่อฆ่ากิเลสส ต, ติปัญญาประจําขันนันก็มี ด้าสิ่งที่ค่ากิเลสคืออะไรมันก็เคยมีมันอยู่กับที่หัวใจมันจะลืมไปไหนอ่ามากมากสติปัญญานี่โรดคือความดับทุกข์บรรดับที่ไหนลู้มันดับที่ใจไม่ดับที่กายละกายมันเกิดมันดับของมันเองนเรื่องทุกข์เกิดมีปรากฏบ้างสงกไปทุกข์ภายในใจไม่ดับลงไปแล้วไม่เกิด ไม่มีอะไรเกิดทุกพราะกิลดับแล้วจากใจทุกพราะกิรจริงไม่มีที่เกิดขึ้นที่ใจดับนั่งนั้ง น, นิโรดนิโรธความดับทุกขิริยาของความดับทุกข์อย่างนั้นท่านเพิง่งทำให้แจ้งทําให้แจ้งมันมา ีโรดพุ่นทำให้แจ้งพิ่นบอกบอกให้เฉยแหลักใหญ่ของมันอยู่ที่มกักสมาธิปัญญาสติปัญญามาักนั่นหละผู้ที่จะทากิเลสให้ดับกิเลสดับแล้วทุกมันก็ดับเพราะกิเลสผู้สร้างทุกมันอยู่ในใจจะลืมไปไหนสัก จ, จะทำ แล้วความทุกข์ความทรมานขนาดไหนเนี่ยท่าเปาน็นขันนี่มันไม่ดื่มเนี่ยผมเป็นคนนิสัยวาสนายอยาคบพูดถึงว่าคนหนาก็ถูบกทุกขาปฏิบัตรรถ้าหากจะจะรู้อัดรู้ธรเมื่อก่อทันทาปิญญาต้องปฏิบัติลำบากทั้งรู้ในช้าไม่ได้ทุกขาปฏิบัตร ป, ปาญญานี่ครั้งมุตการมีมากครั้งปุวันน้อยมากสิเดียวเพราะนั้นเป็นพวกอุคติตันยุวิปจิตตันยุแต่พวกอุคติตันยูวิปจิตตันยุว์ที่พร้อมที่จะรู้จะเห็นนี่ท่านเป็นสุขาปฏิปทาคิด ป, ปาปิญญาแม้ทุกขปฏิปทาก็คิด ป, ปาปิญญาแม้ลําบาก ก, ก็รู้ได้เร็วสะดวกก็รู้ได้เร็วเพราะฐานของท่าน พร้อมที่จะรู้ได้เร็วอยู่แล้วแต่กราถูถ่ายกันไม่ตายถึงจะรู้หนักขนาดนั้นมันเป็ น, น, ป น, าปนตามเป็นขั้นเป็นตอนิ่งว่าจัดบุคคไมีว่าสี่ประเภทอุคติันอยู่วิปกิปันูเนยยะ อ น, นั้นก็มาปะทะประมะพวกปะทัปรมานี่เรียกว่าพวกนั้นโห้เฟร็ดคัตนะบอกหนิงเฮ้ยพูงอ่ะหัวนี้งเ อ, ง <c oughs> อ่ก็ค้นเน่ยสบายนมมะยนม้วนไม่ไยุมูเลยนยะผู้ควรนาไปได้เมื่อแปลแล้วผู้ควรแนะนาต่างสอนได้หลายครั้งนะหงก็ค่อยหลายครั้งนะหงก็ค่อยเป็นค่อยไป เนยะเนยะนะี่ปัททะประมานี่มันมืดบอดรอบด้านเลยแปลเอาแล้วไปนล้นมันมีบทเป็นอย่างยิ่งแต่แปลแต่ปริยั่งบทมันคืออะไรมันก็มืดบอดเป็นเป็นพื้นของหัวใจอยู่นั่นแหละพุดเรายมืดบอดเป็นพื้นหัวใจมันไม่ยอมรับความจริง พอมีแต่ความปลอมเต็มหัวใจแล้วมันจะเปิดประตูรับความจริงได้อย่างไงประเภทนี้ที่ยวาประเภทหมดหวังประชามปมะถ้าเป็นคนไข้ก็เรียกว่าประเภทไอซมันี่แต่เข้าห้อง ICU ูไม่เกี่ยวกับอยู่กับยากับหมออะไรเลยี่มันมีหลายประเภทประเภทระ ย, ยะที่ควรรู้ได้นี่ยหลประเภทที่ดันทาริชาม ทุกขาปฏิปทาสันทาสินเชื่อปิญญานั่งจะเป็นประเกเนี่คือปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้ช้าถูไทยไปยนั้นผมอ่านต้นไม้ฉบับที่ให้หมู่เพนมาอ่านมานั่นเกี่ยวกับเรื่องหลงปู่ ม, มั่นที่เขาโจมตีของปู่ ม, มั่นนั่น แต่มีดีใจน้อบุ๋มมั่นนี่แม่ปุ้มสลดสังเวชมากลั่เหมือนกันนะนักปฏิบัตินักธรรมะด้วยกันเป็นค่าสึกซัญกระดานนี่ก็มีอือเหลือหอโอเราก็ตก่อนเราก็ไม่เคยคิดอะไรมากนะักพอมาเห็นนี่จึงเป็นสำนักสำคัญด้วยนะมาแสดงอย่างนี้แนละ้วโอ้โหทุเรศจริงจริงนะอเป็นตัวสําคัญปฏิบัติทํำยังไง ร, รู้ทํำยังไงเี่ย มันเอาทำให้เป็นโลกบางหน้าและสนุกสร้างความชื่อช้าหลับมมกอย่างเต็มกาลังเท่านั้นเองก็เราก็เห็นไม่เท่านั้นหลอโกโลกเขาอยู่เท่านั้นเอง่ตอนนี้จารยมัน่นได้หลวงขอแล้วในวงปฏิบัติถ้าปฏิบัติ ที่ถือว่าเป็นภาพปฏิบัติที่ถือว่าเป็นสถ า, านที่อุปหะที่น่ากราบไหว้บูชาขอ ง, ของปปโลกเขาได้เป็นเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็แหว่สรตรงนี้เหมือนกันหลอ่อพอดีเนีย่ยไปอย่างหนึ่งแล้วก็แยกได้ นั่นแต่พระพุทธเจ้าเขาาก็ยังตำหนิได้ลงคอว่างๆกันมันก็ผ่านไปเพราะเราไม่ได้คิดแน่เดียวเนี่ยคิดหลายแน่หลายสันหลายขมโอ้ใครพอหนัาก็ดุมากดุมจะเป็นกดเป็นแลบียบมนหนึ่งเท่านั้นนะดูสังเกตดู ปฏิบัติกันเพียงเป็นกฎเป็นระเบียบไม่ใช่เป็นทรรมโดยอัทยาศัยของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พยงเห็นขึ้นมาโดยตัวเองทั้งสองใจดง น, นี้เวลามันโง่มันก็งมงมากเลยใจดวงเก่านั้นตัวนั้นเวลามันโง่มันโง่จริง ใจดวงต่อแต่เวลามันพลิกสันพลิกคมของมันขึ้นมาด้วยอํานาจของธรรมมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันธรรมมีอยู่ในโลกะมันก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงธรรมมีอยู่ในโลกพอเมื่อใจได้สัมผัสมันเป็นรูอออ๋ออ๋ออ๋ อ, อ, อเลื่อนไปเลยทําตะทําพื้นพ้นก็มาทํา ว่าสุดยอดเสก็ว่าไปเถอะมันไม่นอกเหนือไปจากใจที่จะเป็นผู้รับสัมผัสตั้งแต่ปิยดย่อยจนกระทั่งถึงเต็มภูมิภูมิรู้ภูมิเห็นภูมิสัมผัสเ<ๆ>ข้าที่ใจใ น, นี่แหละใจจึงพิสดารมากนะพิสดารจริงๆเราจะไปคาดแต่หมายเรื่องใจนีคาดไม่ได้เลยตาหู้งหมูกลิ้นกายเหล่านี้มันคาดได้ เพราะมันมีขอบมีเขตตาจะเห็นไปแค่นั้นจะนั้นจะหูได้ยินจะนั่นนั่นเนี่ยมันมีขอบมีเขตทั้งมันใก ล, ๆล้ๆอะไรมันก็มีขอบเขตทั้งมันมีวงจํากัดแต่ใจนีะ่ะนักไม่ไม่มีอะไรเป็นขอบเขตเลยยิ่งขอให้รู้กันไป็นรู้ให้รู้กินนึงรู้อัดรู้ทำํำที่ว่าเนี้นะยิ่งกิเลส ที่เป็นสิ่งอุ้มห่อพวพันติดบังบีบบังคับมันแตกกระจายไปหมดแล้ว้จิตนี่แ ส, แสดงตัวเต็มอํานาจตัวเองแล้วนั่นนหะสิ่งไม่รู้มันก็รู้สิ่งไม่เคยเหน็นก็เห็นขึ้นมาเต็นขึ้นมานั้นหาที่สงสัยไม่ได้สงสัยไม่ได้นั่นมีที่บูชาถึงประกาศเพียงพระ อ, องค์เดียวสามารถสอนโลกได้ทั้งสามโลกธาตุนี้ว่างไงพระ อ, องค์สอนอยู่ทั้งวัศธาเทวุนุษย์นังสามารถเป็นครูได้เท่านั้น เพราะทรงรู้ทรงเห็นนะ้สามารถที่จะหยุบยื่นธรรมะเหล่านี้ให้แก่ภมนั้นได้น่ะมันเป็นของจริงได้รู้จริงๆเห็นจริงๆอาฐานจากความรู้กับเห็นทั้งโปอ ง, ปองแล้วหยุดยืนให้เห็นได้อย่างแท้ทันนั่ซึ่งเราไม่มีใครสามารถเลยพระองค์สามารถนี่แหะความสามารถของมนุษย์เรามันต่างกันใจดวงนี้เรามันต่างกันผู้โง่ของโง่อย่างสามารถผู้ฉลาดชั้นลาสุดจนเกินโลกเกินจักรวาลจนล้นโลกปุริย์ง่าย ก็อย่างนี้เองล่ะใจเนี่ยมันท้องคันมีมากนะหลวงพุทธวิสัยกับสาวกกวิสัยนีรรยรรยย่พูดสิ้นกิเลสแล้ววิสัยของติดต่างกันมากมายความกวาม้างความแคบนที่จะรู้เห็นทำต่างๆส่วนความบริสุทธิ์เหมือนกันก็จริงแต่ความสามารถที่จะนำทำทั้งหลายนั้นมาใช้แก่ส ม, มุนนี่ใครจะไปเกิดในมูลเจ้าะที่เอามาใช้มาหน้าแต่ทรงรู้ทรงเห็นนี่มีมากกว่ามากพรรณน า, นามไม่ได้เลยเราเราเชื่อเรี่ยว ยอมชื่อเอาจริงๆงงงนป็นสายวิญญาขนาดนัน้นีเวลาที่จะรู้เต็มภูมิสายวัฒนาของตัวเองแล้วเต็มจริงๆไปฝุกเลี่ยงปุ้นง่ายๆที่พ่อแม่ครูยันมันทำเวลาได้เกิดแล้วเกิดทุกเวลาเวลาขนาแไม่ำทำพันพูด ท่องจริงๆย้อมย้อมท่านมาเกิดจะเกิดไในทุกเวลาถึงว่าทําอะไรในะคัำพี์บาลานเหมือนน้ำํำในตุ่มว่าทำ ท, ท, ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีในคัมภีรไบาลานเกิดขึ้นในหลักธรรมชาติตามหลักธรรมชาติของจิตของจิตของธรรมของผู้รู้จิตรู้ธรรมเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรแหมท่านผู้สมัยท่านได้ฉาญมากทีเดียวที่เรามาลงใน ปัญหาคือริมอะไรๆที่ควรจะสัมผัสสัมผัสม้งเอ็นมนมุ้งได้หมดจิดตัวนั้นก็เป็นธรรมทั้งดวงอยู่แล้วแต่ธรรมประเภทอ า, อาการต่างๆที่จะมาสัมผัสสัมผันสกันมีมากกว่ามากนี่เกิดได้ทุ่ยร่ำหนหลายจะไม่เกิดได้ไงก็มีอะไรจะบีบบังคับ จ, จิตใจทั้งนั้นได้เกิดได้ทุ่ยร่ำหนหลาย มาทำเกิดทําเกิดถึงเวลาเกิดเกิดดีอันนี้ในขั้นฆ่ากิเลสด้วยปัญญาก็เหมือนกันนะสติปัญญานี้ที่พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงต่อสู้กิเลสนี่ยหลายสันหลายคมนี่ก็เป็นทําเกิดทําเกิดเหมือนกันทําเกิดก็เพื่อฆ่ากิเลสนันอุบายเกิดอุบายเกิดฆ่ากิเลสทําไปเรื่อยๆเลยๆทำเกิดอุบายเกิดจากนั้นมาแล้ว ก็เป็นอุบก็เกิดอีแบบหนึ่งไม่เกิดเพื่อจะฆ่าที่เด็ดอะไรหรอกหากเกิดเป็นแบบทำรังสัดกรรมชาติตัวเองเกิดเรื่อยๆเลยอ่กจะอะไอีแงมันเป็นอนเนาะอยู่กับป่าเอาไปใช้เนาะอุวนีด้ ไมใช่ว้นพูอะไรเลยเนาะโอ้รอนๆกันนเป็นดำใส่นี่แหละเป็นตาใส่ของปิดของสัตว์อ้ไอ้ปากดำมันก็เอาดีนะเนาะว้าว่าคนเห่าอนันปากเปาะอนั้นปากดำไอ้พ uh? euh ูนปากเปาะของม่นิดไถ่มันมาิดไปแ้ ทำภาษาเดินฉากแล้วไปผมก็สนใจแล้วดิอานี่เปน็นอะยิงไปไหนมาไหนเอ้หูมาหารมาแล้วไปเอาแหะตัวดดจะผึงผผึ ง, ง, งมันดีใจไรห่ อ, อรอเวลาให้พรท่านเก่าวในหังสือขั้งพุทธการท่านนั่งกล่าว้าทา่านสวนมดมนต์ข้างขามเกาะบนเพดานถ้ำ เท่านสวมันมันฟังแล้วมันหลายรอบพร้อมขิงมันพร้อยอะไรไม่ทราบก็เคลิมไปในอันใน้ทําทั้งหลายลืมเนื้อดืมตัวไปเลยตีนมันในหลุดจากประดานถ้าตกตรงมาถูกหินข้างล่างนี้ตายแล้วไปสวรรค์กันหมดฟังจ้ ด้วยความยินดีเพิเ่มในอัตในธรรมทั้งหลายตกมาแล้วตายมีใครจะไปรูก้กิจของข้างข่าวถ้าดไม่ใช่พระพุทธเจ้ากับสาวกบางองค์สาวกองท่านรู้ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกองค์นะคือมันตามอันนี้ตามนิสัยวาสนาแต่พระพุทธเจ้านั้นแน่ร้อยเปร์เซ็นสาวก็โะพุทธเจ้าคนี้ประกะศเอาไว้แล้วก็เขียนมาในตำรา ว่านี้ตายได้ไะเกิดในสวรรค์พวกข้าง้าแล้วก็บไอ้ที่ผ้าติดสระตายแล้วเป็นเลนอยู่ในยีวอรสิไม่มีใครคาดคิดกันเลยเพราะยงบ่าถากถวายผ้ามาให้ตัดยีวอรก็แต่ก่อนนั้นมีจักรนี่นะเย็เบด้วยด้วยมือผ้าเนนตั้งหลังก็รวมกัน เยบ็บช่วยกันเยบ็บจนกระทั่งเสร็จเยบ็บเสร็จแล้วย่อมตากผ้าเป็นย้อยเมงคืนมันเป็นปัจจุบันโรคปัจจุบันท้องถ่ายปัจจุบันส้างว่าอาหารไม่ย่อยน่รูไหมตามนั้นคือว่าเมื่อผาทิชชา่ไดยตายยังไม่ได้คลองผ้ากีวันผุนใหม่นั่นเลยถ้าจิตใจมีความปฏิภาษยินดีติดยู่ในกีวน แล้วหัวหลวงกีวอนอีกด้วยมาเป็นเป็นเลนลเกาะกีวอนอยู่นั้นใครก็ไม่คาดเลยพระพุทธเจ้าสเสด็จมาเลยเถอะนะมารับสั่งเลยบอกว่ากีวนันผืนนี้ให้เก็บไว้เรียมร้อยใครจะไปะแตะไม่ได้เป็นขันธ์หน้าพระติสสาตายแล้วว่าเป็นเลนเกาะกีวอนอยู่นี่นะเดี๋ยวใครไปแตะแล้วพระติสสาจะมาไปยื้อแย่งองกีวอนแล้วมาแล้วพระติสสาจะเกิดโทสานแล้ว จะตกนรกนะวางนันห้ามข้าจะไปแตะเก็บไว้เรียบร้อยวางนันเลยสั่งขาดถึงตรงนี้นะจนมาทั้งเจ็บวันผ่านไปแล้วถึงมารับสั่งหม่เอา้าอัญช่วานนี้ไปแจกกันได้ที่นี่พัติจตตายจากเรนนี้แล้วไปสวรรค์แล้วนะฟังดินี่พระองค์รับสั่งเองนะมีละไกิดมันขนาดนะ่ะเออเอกานั้น อั น, นจุดุปาฏิยานจุดูปาฏยานรูจ้จากอ่านจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายชาวว่อลงุรูอย่างพระกัสปะมหนมีท่านเก่งเหมือนกันนะท่านพิจารณาเรื่องความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายและความเลื่อนอนเวียนไหวของสัตว์ของจิตวิญญาณของสัตว์ถ้า พระกสปะท่านพิจนาท่านอยูคืนดึกๆพระองค์ทรงพิจารณาทรงเรีนญาณมาถึงพระกัสปะดูพระกัสสปะกํากลังพิจารณาดูสัตว์โลกอยู่ว่างั้นเถอะนะพูดง่ายๆเรื่องความเกิดความตายของสัตว์ของดวงวิญญาณต่างๆอืมมันยุ่งต่อยุ่งมากกว่ามากพระกัสสะกำลังพิจารณาพระองค์มาเตือนเอ้กัสสปะ เธอใหญ่พิจารณานี่ไม่ใช่วิสัยของเธอถ้าอยู่ตามสบายรูปก็ปปรูกไปเสียผ่านก็ผ่านไปเสียอันว่างอันนี้เป็นวิสัยของเราตถาคตวางกันอยา่าไปพิจินามันเลยอันว่างอันนี่ก็มีในธรร ม, มนรรมีม่พรากัตตาองค์เป็นสำคัญมากคือดูปัฏิยานคือจงทราบอกคือคือ ท, ทราบความเกิดความตายของสัตว์ว่าเกิดจากตายที่นี่ไปเกิดที่ไหน แล้วมาเกิดที่นี่มาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่พระกัจจปัญญาทราบมาหมดโดยตลอดกําลังพิจารณายพระพุทธเจ้าทรงเรียนญานไปทรงทราบแล้วก็เลยเตือนพระกัจจป่าดุจก่อนกัจจปะผู้บป็บุตรของเราหวางเงนะินมาเธออย่ายุ่งกับเรื่องอย่างนี้นะเรื่องความจิตติการเกิดของจตัตวงหลายหาประมาณไม่ได้มากกว่ามากอย่า เธออยากจพิจารณาอยากเข้าใจว่ามันมีเท่าที่เธอผ่านเธอสัมผัสสัมพัสมีเวลา น, นี้นะมากกวมากก็สัปปะยุดไม่ใช่วิสัยของเธอวิสัยของเราจถากตัง้ทงทันหวางให้หยุดก็อยู่ตามอยู่สะดวกระบายดีกว่าที่จุมาพิจนารณาอย่างนี้กันว่า <c oughs> <c oughs> คือคือคงใจผ้าซางเราเขาจะเห็นพระกัติท่านเติอนพิจารณาดูดูสัตว์ความเกิดความตายของสัตว์ท่า น, นเตือน นนเรื่องวิตริญญาณนี่มากจริงๆมีแต่เรื่องอวิชาปัจจายทั้งนั้นนะยูในนั่นฝังวางเป็นหลักธรรมชาติของมันเองแล้วจะแก้ได้ด้วยธรรมแก้ก็เป็นศรรสาสตราอุกเอกมาแก้ถึงพระองค์แรกแล้วแต่นั้นสอนสัตว์โลกเป็นกําดันดาเช่นสาวกข้างหลายนู้ตามเห็นตามทีแรกพรูทีเจ้าเป็นสยามภู ทรงแก้ได้ด้วยพระองค์เองด้วยอำนาจวัสนาพบรบารมีที่ทรงสร้างมาดดนดับรรดาตั้งถึงเต็มที่แล้วสามารถพุ่งทะลุอะ ห, หินดานที่หนาที่สุดมหาหนาที่สุดนี่วัตต์ใจใจพบนี่สามชั้ น, นหนาหนาใจคมออกได้เลยนี่สยามผูทำเียสยามผูทรงรู้เองแป ล, แลว้ว ยำปูสมงด็จไม่มีใครเนยไม่มีใครสอนเลยเป็นหลักธรรมชาติพระพระเจ้เจ้าก็เหมือนกันแต่และองค์เป็นขยำปูแต่ไม่ใช่วิสัยทั่ทนนะ่านจะนำนำสอนไค่ต่อใครเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้เป็นองค์เอกที่ควรเป็นคู่ควรอย่างเอกอีกด้วยนี่นำสัตว์โลกสอนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์โดยลําดับลันดาแล้วก็พูดที่ไม่พ้นก็เลียงลําดับลันดากันขึ้นเป็นลำดับระดับคือว่า พ้นจากนี้มานี้พ้นจากนี้วันนี้เรื่อยเดี๋ยว่าสร้างบารมีให้ทำวัตะให้ย่นเข้ามาสั้นเข้ามาจากการนำถินทำตามบระเจ้าการจากการได้ยินในความธรรมของพระเจ้าธรรมวตะวนให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาสั้นเข้ามาโดยดำดาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับเรื่องวัตวนภายในจิตใจขนาดนั้นนะ พระองค์พระุทธเจ้าแต่จะรุ้แต่แลวพระองค์นี่นำจิตวิญญาณที่เป็นเจ้าวัตจักรนี่ให้หลุดพ้นไปในมากแสนมากนะแต่และพระองค์หมดปัญหาหมดปัญหาหือไม่ต้องมาเรียนว่าแต่เกิดเป็นทมบริสุทธิ์ล้นล้นลนน เราก็สร้างเรื่อยต่อกันไปเรื่อยต่อเร่อยแล้วในปัจจุบันนั้นกับขนาดนี้วันนี้ฟังธรรมท่านอีกเปลี่ยนระดับเข้าไปเลื่อนระดับไปเรื่อยๆข้าวหน้าฟังเรื่อยเื่อนระดับเรื่อยๆนี่ก็อีกอันหนึ่งเหมือนกันจนกระทั่งสุดท้ายก็ผ่านไปได้เช่นอย่างเวลาพระองค์ประทานพระวา่าแต่ละครั้งมาครั้งนี้พุทธบริษัทได้บรรลุขนิพานเป็นจํานวนมากนี่ก็คือว่าผู้ที่ควรจะผ่านก็ผ่านผ่า น, ผ, านผู้ที่ยังไม่ผ่านก็ค่อย ฉลอกัอนมาแล้วมากันเรื่อยมาแทนกันเรื่อยแทนกันเรื่อยระดับมันเลยพ้นไปเรื e 10, <t pensar into insanlar> ่อยผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยนะเป็นอย่างนั้นเทพแต่ละครั้งละครั้งโลกบริษัทบริษัทได้บรรลุกรรมก็คือผู้ได้ผู้ไดบริษัทนี้พวกระดับอุกติยูวิปยินดูพวกเนยยอเนยยะอย่างละเอียดอืมพวกเนยยะอย่างละเอียดค่อยเปิดมันไปอุกติยูวิปยินอยู่ที่พวกรวดเร็ว พวกนี้เราวบที่คนได้บรรลุเรื่อยๆ เ, รยเรยพราะมาฟังข้าป๊าบเลยตรนะอุกติเปนอยู่วิบวิบอยู่นั้นพวกนัยยะที่ว่าศาสนาจะสิ้นสุดไปในห้าพันปีนี่คืออะไรพระองค์ก็ทรงทาบด้วยพระญาณแล้วว่าความรู้สึกของของสัตว์โลกนั่นนะ่ะ จะมีความยินดีในศาสนาเชื่อศาสนาไปเพียงแค่นั้นเท่านั้นจากนั้นก็ถูกที่เดือดปิดบังหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเป็นไปตามคํามของาศาสตร์เป็นตามวาร ะ, ะไม่ใช่อยู่ศาสนาหมดตนะมันหมายถึงจิตใจที่มีความเชื่อความน้ำใสของศัตว์โลกนั่นหมดไปหมดไปแล้วจนกระทั่งไม่มีเชื่ออะไรเลยแล้วคิดไปแล้วย่างปัจจุบันนี้ก็เป็นยังไงศา ส, สนาพุทธ พุทธศาสนาองเรใครเมื่อแตครั้งพุทธการท่านปฏิบัติกันยังไงมีความก็หยิ่มยิ้มย่องถือเป็นเนื้อเป็นหนังในอะไรก็ในมรรคนี่ผ่านเดี๋ยวนี้มันถืออะไรเป็นเนื้อเป็นหนังโชคชะตาราศีเป็นบ้าไปหมดเห็นไหมล่ะอมาเห็นพระคอยจะเอาบัตรเอาเบอร์เอาบ้าไปหมดนั่นเห็นไหมมันต่างมันต่างกันไหมล่ะมันถือเป็นบุญมิตรกุนอะไรแม้แต่พระยังก็เป็นบ้าไปด้วยบัตรด้วยเบอร์ไปตามโลกตามฐานหมดมันไปด้วยกันทั้ง ทั้งพาทั้งคารวะเพราะจิตใจถูกกิเลสมันปิดบังห่วห่อมเหมือนกันมันก็เลยยอมมันก็เลยยอมตัวเป็นแบบเดียวกันไปอนกันแบบแบบแบบว่านี่เห็นกันอยู่อย่างนี่เลยตางเหล่าเนี่ทําทัางเปลี่ยนแปลงที่ไหนจิตใจของโลกเปลี่ยนแปลงต่างหากเพราะถูกยอมอยู่ตลอดเวลาด้วยความไม่ดีทั้งหลายผู้ที่มาสอนด้วยอดุธรรมยอมในทรามทั้งหลายด้วยความของ ด้วยความจริงด้วยของจริงที่รู้จริงเห็นจริงจริงมันมีน้อยมากนี่นั่นจึงไม่ไม่ทันกับเรื่องของกิเลสที่มันมีมากแสนมากจิตใจก็เอียงไปอย่างนั้นนะพอหมดนั้นไปแล้วก็เป็นที่ว่าจิตในถามแดนโลกธาตุนี้จิตผู้มีอุปนิสัย ที่สมควรสมควรที่เป็นจังหวะจังหวะพอดีจับพูริยะองค์นั้นนที่จะมาตรัสรูกก็มีอยู่เหมือนกันนี่นะเป็นระดําดาเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วนี่<ม>พอที่ผ่านไปได้ก็มากพพ็ผ่านไปได้ผ่านไปได้เรื่อยเป็นจังหวะจังหวะจังหวะนี่เคยเป็นมาแต่ไหนเพราะฉะนั้นเพราะพระเจ้าที่มาตรัสรูกในโลกนี้จึงว่าเป็นล้านล้านจะไม่เป็นล้านล้า น, านยังไงก็เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรโลกนี้มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใครกันหมดได้เมื่อไหร่วะนั่นแหละธรรมมีมาตั้งแต่นั้นน่ะเรื่อย ผู้พูดที่สอนทำก็ผู้อุบัติการทำทั้งหลายก็อุบัติขึ้นหม่รู้ทำก็รู้มาอย่างนั้นอืรตัดจตรู้ระยะนี้องค์นี้มาตัดจะรู้แล้วผ่านไปแล้วถ้าเราจะเทียบแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมาตัดจะรู้องหนึ่งแล้ววันนี้ก็ตัดจะรู้เสียตัดจะรู้วนันละองค์ละองค์อไปเรื่อยมันก็หลายองค์นี่เช่นปีหนึ่งก็สามร้อหกสิบห้าวันก็สามร้อิห้าองค์แล้วกี่ปีกี่เดือนกี่กาฬกันมันจะไม่ถึงล้านยังไงให้เราเทียบนะ อันนี่กี่กับกี่กั น, นฟังสิกับหนึ่งกันหนึ่งมานานเท่าไหร่โลกนี้ตั้งมานานเท่าไหร่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาแต่จะรู้แต่ละครั้งลครั้งนี้ถ่ายทอดกันมาไม่เคยหยุดมีมาอย่างนั้นเรื่อยอยู่มันย่อยมากได้ยังไงต้องมากได้สิผมนี่ยอมรับใครจะบังโง้ก็โง่เอาเอาโง่งนี้โง่ไปเถอะไม่ยอมแก้่เอาแต่หนึ่งก็หนึ่งบวกกันเป็นเท่าไหร่นี่มันเป็นสองแล้วน่ะ เมื่อวานนี้องค์หนึ่งวันนี้องค์หนึ่งและตลอดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งกับไหนกันไหนทไมจะไม่ถึงน้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านล่ะก็มันมาไม่หยุดนี่นับไม่หยุดนี่นั่นสิมัมากแตมาเข้าไปมันก็เป็นล้าน้านเสิถาถึงว่าส้าุเทอติวสัจาาิรถึงมันังถึงสุเทวุตวะนวุตรัสเตัตอตาจตาริสัสสัเกมวิสติสตาสหัสสนมาีสัหังวาจะว่าอะไรืึมเราก็เอาความจริงมาพูดนะเนี่ จำปาดังมียักปาดยังมีนยู่ะไม่ได้จะหูหนวกตาบอดไปด้วยกันหมดในโลกกนี้ผู้ชนาดนั่งมีผู้ดียังมีนี่ครับนวัตกรรมพระเจ้าเท่านั้นพันเท่านี้หมื่นเท่านั้นแสนไปเรื่อยเท่านั้นพันเท่านั้นหมื่นเท่านั้นล้า น, เ ป, นเป็นพๆ กระทบไยงันจริงๆว่าพุทธทางสตางค์กระชามีกระเทือนพุทธเ้าทั้งหลายทั่วแดนถ้าพูดจะว่าแดนโลกธาตุทั่วแดนโลกธาตุเลยทำมังสตางคกชามีเหมือนกันกระเทือนสังฆังสตางกชามีเหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มีภาษาวกขนาดไหนและทาไม่เด่นพระพุทธเจ้าอุบัติได้ยังไงนั่นทำของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์องทำมังสตางค์กชาสังฆังสตางคกชา กระเทือนหมดเดี๋ยวว่าจะพูดเจ้าเราออปัจจุบันเลยนี่พอเราพูดอย่างนี้พูดทางสองสร้างสดงพูดทางสมงางสัง า, างก า, ารสดงกระชากกระเทือนหมดเลยนี่เป็นหลักธรรมชาติมีการสถานที่เวลาไม่าเมาื่อไหร่เราว่าเฉยการสถานที่จะไาเพราะนานไม่น้นทำไมันไม่ได้ว่าเป็นความจริงตลอดเวลากระเือนตลอดเวลาอยู่ภายในหัวใจนี่ยเฮ้เอาล้วเป็นบ้าเลพูดว้ๆๆๆๆๆๆเอาล่ะพออ้วนเป็นไงอ้วนวะนี่นี่ไอ้วนเอาเก็บ ที่อันหนึ่งที่ว่ามันไม่ยอมถอ ย, อยนะเทียดแค้นนั้นเอามาเป็นกำลังใจจะเอาให้มันให้ได้นีน่มันเครียดแค้นอย่างนั้นนะไม่เชรีแค้นอย่างที่ถอยนะพอมันถึงขั้นของมันนมนี่รังมาอยู่เลยล่ะมันเวลาทำอำนานาจของทรมันมีแล้วทำมีกำลังแล้ว ทำเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับกิเลสมันเป็นตัวของมันเนี่ยกระดิกมาแพ๊บจากหัวใจเป็นกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นนะถ้าไม่มีสติดูดูไม่รู้นั้นกระดิกออกมาในความคิดความปรุงเรื่องอะไรๆนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อยเหมือนวัวปากขอบองมไหลออกไหลออกอยู่ปากขอกกิเลสทั้งนั้นไหลออกอไหลออกเที่ยวหากินบ้วนเปี่ยนบ้วนเปี่ยนเพื่อนผ่านเพื่นผ่าน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 ชุนลมุนหรือตะลุมบอลตะลุมบอลเราจะหาเหตุทาผลไม่ได้เวลาตะลุมบอลกันอันนี้ระหว่างที่เด็กกับทำเมื่อเวลาทำมีกําลังแล้วก็หาเหตุทาผลไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องค่าขี้เด็กด้วยเหตุผลกลไกอะไรหาเหตุทาผลไม่ได้คือเราไม่หาเนี่ยมันหมุนเพรามันติ่วติ่วติ่อยู่นั้นเลยอยู่นี้ไหนขี้เล็กมันก็พังอยู่ที่เด็มันก็พังไหนขี่เด็กอยู่ที่ไหนปัญญาก็เกิดปัญญาก็เกิดอยู่นั้นตลอดตลอดตลอดตลอดเลยนี่ถึงขั้นเป็นเป็นในขนาดนั้นนะ มันต้ได้ยอมวิชจ้าโอ้โหเป็นอย่างนี้อ๋อนี่จริงๆเป็นเรื่องวิชาธรรมประเภทนี้ึงเป็นวิชาธรรมข้าวเกลียดนั่นมันลงความจำได้หมายรู้สาธุเราไม่ได้ประมาทนะมันเป็นเพียงเป็นปากเป็นทางเนั้นเอาจริงกับจาังมันมาได้นะความจดความจํามาแต่เราไม่ได้ประมาทว่าไม่เคยประโยชน์นะอืมเป็นปากเป็นทางโอเวลามันจะเป็นตัวจริงจริงๆเป็นองค์สัจธรรมจริงๆคือปัญญาจริงๆสติจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะ พุ่งพุ่งพุ่งพุ่งมาอยู่ที่ไหนก็เกิดยูที่ไหนก็เป็นเป็นอยู่ตลอดเป็นร่ำไปแล้วไม่ได้คิดให้เป็นก็เป็นตั้งใจไม่ตั้งใจก็เป็นเป็ น, ปนถึงขนาดที่ว่าลั่งเอาไว้ฟังที่รั่งเอาไว้คือมันเทินในงานในการค่ายิเดศในการขุดค้นค้นหายิเดศนั่นเป็นงานของกิเองลั่งก็คือว่าให้เข้าสู่สมาธิสงบพัก เอากำลังนั่นนะคุณง่ายง่าพอกิดออกจากที่สงบแล้วมันก็มีกำลังพอออกที่สงบปัาบมันพุ่งเลยนะพุ่งพุ่ ง, งบางทีมันคิดผมก็ไม่ลืมเรื่องนี้อะไรไอ้นี่มันร้อนเลยยิ่งยัยืนไม่ไปสู่ไอ้นี่ลูกดิกลูกดิไอ้อ้วนไปไหน อ้วนไม่เห็นเป็นมึงวะเมึงทไมลูกล็กๆนั่นลวดในอ้วนวันนี้อ้วนเท่านี่น่ารักเลยอ่ะอ้วนท่านั้นคุดีแบบนองอ้วนอาถรรพ์เลยนดีว่านั้นแบบแบบดูสนุกดูนะมีใจของสันเลียมันเหมือนมันดุเป็นดุพระนะรัก เนี่ยไแต่กนอ้วนมาทีแรกตัวอ้วนอ้วนมาขี่รถไปมดน้ยบ้านยิ้มกายน่ะอขึ้นมาขี uh ่รถรถนี้่ต้องเช็ดต้องล้างเลยนี่มาทีแรกตัวอ้วนอ้วนหูตุบๆเลยติดปากเรยกอีอ้วนอวน เวลามันมันเหนื่อยสติ ป, ปัญญาทำงานมันเหนื่อยอ่อนไปหมดน่ะอ่อนอยู่ภายในนี่มันมันไม่ถอยกี่กลังใจหนีไม่ถอยถึงต้องได้คิดถึงได้คิดกับได้คิดว่าเมื่อไหร่น่ะ มันถึงได้หยุดที่เรามันย้อนหลังคิดไปย้อนหลังไปที่เราคาดความคาดกับความจริงมันต่างกันความคาดกันนี่เราคาดกันนี่ว่าแต่ก่อนว่าการบำเพ็ญเพียรเนี่ยพอกินแล้วอยากเขาจะไหลแล้วความเราความเพียรก็จะละเอียดไปละเอียดไปแล้วก็ค่อยสบายไปสบายไปเรือร่อยเรือร่อยแล้วคิดไปอย่างนี้นะมีเราคาดเอาไว้แล้วความจริงมันไมน้เป็นอย่างนั้นเวลาสมายเขาสบายเช่นอย่างจิตเป็นสมาธิก็สบาย ท่านอนเหมือนหมูสิเอมค่มากีเดลดตัวเดียวก็ไม่ได้พอออกทางด้านปัญญาเออกกวไหนไมีแต่ออกค่ากีเดลดนั่นนั่นเอยมันก็เพลินพอเพลินแล้วก็ไปใหญ่เหนื่อยเคลียเนะี่ยทํางานแล้วก็เอ้ยเมื่ อ, อไหร่มันจะได้หยุดสักทีนี่คือว่าแต่ก่อนเนาะมันจะสศราค่อยสบายไปสบายไปมันมันไม่ไกลับมันกลับบุญค่ามไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงแล้ว คือการต่อสู้มันจะเป็นความสบายเมื่อไหร่อือเหมือนกันต้องมวยต่อยกันเนี่ยระหว่างทำสติธรรมปัญญาธรรมก็ขี้เดียดฟัดกันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกั น, นเอาความสุขมาจากไหนมันก็ที่นี่มันอดทิดไม่ได้ที่ว่าโอ้ที่เราคิดว่าเจิตมีความละเอียดลอไปเท่าไหร่ความเพียรก็จะละเอียดไปละเอียดความสูกก็จะมีมากขึ้นมากขึ้น แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ทีนี่มันว่าแล้วนะตำหนิจะาของหือตำหรือตำหนิอันนั้นว่าเราคาดอย่างนั้นกับความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นี่มันไม่ได้เป็นอันเดียวมันไม่ได้เหมือนกันนี่นะมันเป็นคนทั่โลกไงหลอกกั้นมาว่าไอ้เมื่อไหร่มันจะได้อยู่สบายสีนะอรมานมุนนองอย่นี้ตลอดตลอดเราก็วิตกได้ชั่วคู่คู่เดียวยามเดียวประานั้นนะพออยู่จะวิตกพักมันก็พุ่งอยู่แลแหละน่ะ มันเป็นเองมันเป็นอย่างนั้นนะพุ่งพุ่งพุ่งมันหมุนติ่วอยู่านี้จนกระทั่งมันมันไปสุดฤทธิ์มันพอมันไปสุดฤทธิ์มันจริงจริแล้วไม่บอกมันก็หยุดเองไงสุดฤทธิ์มันมันก็ก็คืออันนี้มันก็เป็นหลักธรรมชาติมันเป็นความจริงเหมือนกันพอสุดฤทธิ์แล้วมันก็มันก็อยู่ เป็นเองไม่ต้องบงังคับให้ให้อยู่สิบงังคับให้อยู่อเรื่องสติปัญญาประเภทนั้นมันหยุดเองเนี่ยก็เป็นหลักธรรมชาติอล้วหนึ่งอันหนึ่งนี่จึงว่าหลักความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่หมายว่าพิจารณาตามความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจําความค่าควหมายเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้เนีเพราะฉะนั้นความจำความจริงจึงไม่เหมือนกันต่างกันมากเหมือนเราได้ยิน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 เป็นคนโลกไปเลยว่างั้นแหะกับความเคยเป็นหมุนดิๆว <c oughs> จะว่าไม่มีปัญญาเหรือมันก็าามามันไม่ใช่มันยอยู่เฉยอยู่เงี้ที่นี่ <c oughs> สั ก, สกตัวรู้อยู่เท่านั้นจะไปยุ่งของอะไรก็ไม่อะไรก็ไม่ <c oughs> ยัไปที่ทนาพวกข่าวขี้เหลตัวอะไรก็ไม่เลยนะไม่สนใจอะไรกันเลยนี่แล้วเดินยังกลุมไปไปเห็นจิงจกจกิงกะไเล่นกับมันอยู่ใช่ไหมไม่ใช่เดินยังกลุ่มมันอะไรก็ไม่รู้แต่เล่นอันนั้นมันทางนี้ควาหมายหนึ่งนะเล่นเพรความต้องสรน มันอย่างนี้นสัจะท ร, รมอย่างถึงวัฏจักรวัฏจิตยินในใจของสัตว์นั้นจิตมันมันมันเจาะเข้าไปตรงนั้นนะมันถือนั้นเป็นหลักใหญ่เรื่องรับสัตว์นันก็มีอย่างนั้นนะไม่เล่นแบบพลิดเพินเหมือนอย่างที่เคยเป็นเคยนั้นมาแต่ก่อนมันผิดกันอะไรอันนี้เอ <c oughs> <c oughs> ในวั น, ว, น, ว, นวันขาอวนคือว่าสองหรือหมื่นนะนี่เท่าไหร่เนาะนะ